ท่านว่ากรำวนาวัตตรีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมที่ว่านั้นก็คือกุศลกรรมและอกุศลกรรมถ้าพูดกันแบบชาวบ้านก็คืออ <c oughs> บาปคือบุญนี่นะครับคือกรรมดีกรรมชั่วนี่นะครับนะครับคร่านี้กรรมของเราเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าเราเคยเนี่ยสร้างกรรมมาไว้เมื่อชาติก่อนอย่างไร อันนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นจักหนึ่งเรื่องนะครับคือเมื่อตอนสมัยรัชกาลที่หนึ่งนั้นก็มีเศรษฐีคนหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสมัยก่อนเนี่ยพอเวลาเป็นรถทับจับศิษย์มาก็จะมีการกวาดต้อนอประชาชนของฝ่ายตรงข้ามนะครับเข้ามาเป็นทาสนะครับเศรษฐีคนนี้นะฮะที่อยู่ที่สุพรรณนี่แกก็ได้ ธาตุหนุ่มนะฮะจากเชียงใหม่มาหนึ่งคนนะครับก็ธาตุหนุ่มนี้ขยายขั้นแข็งมากนะครับเพราะเป็นเด็กหนุ่มเศรษฐีคนนี้มีลูกสาวอยู่หนึ่งคนนะครับสวยมากแล้วก็เศรษฐีนี่รักมากตอนนี้อยู่มาวันหนึ่งก็ลูกเศรษฐีนี้ก็อาบน้ำแล้วปรากฏว่าห้องน้ามันเปิดเจ้าธาตุหนุ่มที่มาจากเชียงใหม่นี่ก็ผ่านมาเห็นเข้าลูกสาวเศรษฐีนี่ก็ไปฟ้องข้อ นะครับพ่อเนี่ก็รักลูกสาวมากพอได้รับคําฟ้องจากลูกก็โมโหนะครับก็จับเจ้าธาตหนุ่มเนี่ยแขวนขืนคาแล้วก็เคี่ยนตีไม่ให้กินข้ากินน้ํานะครับคนเราเมื่ออดข้าวอดน้าแล้วถูกเคี่ยนตนีก็ได้รับความเจ็บปวดทรมานมากนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดทนไม่ไหวก็ต้องตายแต่ว่าก่อนตายเนี่ยทาตหนุ่มคนนี้ได้อาคาด พยาบาลจองเวรไมว่าเกิดชาติหน้าชั้นใดนะครับก็จะกินเลือดกินเนื้อนะครับผู้หญิงคนนี้ไปตลอดนะครับแล้วก็ทาตหลวมคนนี้ก็ตายไปตัวพ่อก็เอาศพของทาตนี้ไปฝังไว้ที่หลังบ้านนะครับเหตุการณ์มันก็น่าจะสงบแล้วก็เลือดร้อยไปแล้วก็ต ก, กันไปได้แล้วนะครับ นะเพราะว่าหลังจากนั้นมาอีกไม่เท่าไหร่ก็ลูกเศรษฐีตัวเศรษฐีเองก็แต่งงานแล้วก็ตายไปนะครับใ น, นสมัยราช ก, การที่เก้านะครับผู้หญิงคนนี้ก็ได้เกิดมาใหม่อีกทีนึ่งนะครับเองของกรุงเทพเนี่ยนะครับเกิดใมาอีกทีนนะครับผู้หญิงคนนี้เมื่อเกิดขึ้นมานะี่ยก็รู้สึกว่าจะนอนไม่ให้หลับเพราะว่ามีผู้ชายนะี่มาเข้าฝันจะเาชีวิตนะฮะ กินเลือดกินเนื้อยู่ตลอดเวลาแกก็พยายามทํา บ, บุญตลอดเวลานะครับแต่ว่าในความฝันอันนี้ก็ยังมีอยู่ตลอดแกก็กุ้มใจนะฮะอยู่มาวันหนึ่งแกก็ได้รับได้รับเชิญนะครับให้ไปในงานบวชของญาติที่สุพรรณบุรีนะครับแกก็ไปไปถึงแกก็อุ้มไกลนะครับอุ่มไกลก็เดินไปได้อ่า หนึ่งรอบเท่านั้นเองนะครับก็ปรากฏว่าแกหน้ามืดนะครับแกหน้ามืดเมื่อมันหน้ามืดไปเสร็จพับก็ให้คนอืนะ่นเนอุ้มไกลต่อไปในระหว่างที่แกเป็นลมหน้ามืดไปนี้นะฮะเสียงที่แกพูดมันก็เปลี่ยนไปนะะแทนที่เป็นเสียงผู้หญิงจะกลายเป็นเสียงผู้ชายแกบอกว่าแกเป็นธาตุหนุ่มนะฮะตั้งแต่สมัยแราชการที่หนึ่งแล้วก็ตอนนี้นะะศพแกก็ฝังไว้ที่ทางประตูเข้า โบสถ์ในวัดป่าเลยไรเงี้ยแกมีความมาฆาาผู้หญิงคนนี้มากเพราะว่าผู้หญิงคนนี้นี่อสร้างเวรสร้างกรรมไว้ให้แกมากนะฮะแกก็เล่าเรื่องต่างๆตามที่ที่ผมได้เล่าให้ฟังมุตตะ ก, กีนี่นะครับทางเจ้าอาวาสก็บอกว่าตั้งแต่ที่เจ้าอาวาสมานี่นะครับก็ปรากฏว่ายังไม่เคยมีใครตายแล้วก็เอาศพไปไว้ที่ตรงประตูทางเข้าโบสถ์นะครับ ครันนี้ก็ท่านเป็นพระท่านก็นบอกว่าขอบิณฑบาตได้ไหมละ่ะจะได้มีกรรมเวรแก่กันเลยเพราะว่าการไปบาจรองเวรนั้นน่ะมันจะทําให้ชีวิตเนี่ยมีแต่ความทุกทุกชาติไปนะครับอ่าว <c oughs> ิญญาณของผู้ชายในร่างของผู้หญิงนี่ก็บอกว่า <c oughs> เขาจะหมดความแค้นนะครับหมดความมาฆาาได้จะต่อเมื่อผู้หญิงคนนี้นะฮะจะต้องทําบุญใส่บาตรให้เขา ทุกวันเป็นเวลาเก้าสิบวันและเขาจะต้องได้กินเลือกกินนี้อของผู้หญิงคนนี้ด้วยเพะะื่อที่จะหมดความแค้นไปที่ได้ทำกับเขาเมื่อชาติก่อนหลูกพ่อก็บอกว่าเขาถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าหากว่าจะทําแล้วปรากฏว่าท่านหายแค้นข้าจะทําให้นะครับถ้าเป็นจริงตามที่ว่าเนะี่ยเมื่อวิญญาณของผู้ชายคนนี้ออกไปแล้วก็ เ, เป็นเสียงผู้หญิงพูดนะครับว่า เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเข้าเป็นอะไรไปท่า <c oughs> นจเจ้าว่าขาเล่าให้ฟังว่า <c oughs> เรื่องนี้เป็นอย่างนี้แต่เชื่อหรือไม่เชื่อผู้หญิงบอกเชื่อเพราะว่าตลอดระยะเวลานั้นนอนไม่หลับเลยนะครับท่านก็เลยสั่งให้คนไปขุดนะครับไปขุดตรงหน้าประตูทางเข้าโบสถ์ของวัดป่าลยไรล <c oughs> <c oughs> ปรากฏว่า เมื่อขุดไปแล้วก็เจออโครงกระดูกของมนุษย์นะครับที่มีอ่ามีมีมีมีโซ่เหล็กนะฮะที่เท้าแล้วก็ทีดหลังก็มีเหล็กติดอยู่ด้วยมันหมายความว่าเป็นจริงตามที่วิญญาณได้มาเข้ากับผู้หญิงคนนั้นนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องต้องทําตามที่วิญญาณได้บอกไว้นะครับ พอดีคนที่ไปนั่นก็เป็นหมอก็มีนะครับเป็นหมอมีเป็นพวกทหารเค่อยๆการตํำรวจมีเพื่อนหลายฝ่ายด้วยกันพวกครูนี่ก็ไปด้วยกันหลายคนทางหมอก็บอกว่าไม่ยากเลยนะครับถ้าเราจะเอาเลือดเขากินเนี่ยตัวที่เราเขาสลิงเนี่ยนะฮะเจาะเลือดของผู้กญินคนนี้แล้วก็เราใช้ใบไม้เนี่ยไปแต้มที่กระดูกนี่แล้วก็ให้หลวงพ่อเนีบังสกุลให้ ก็จะเสร็จเรียบร้ อ, อยถ้ากว่ทางผู้หญิงเนี่ยเชื่อแล้วก็ยอมนะครับเขาไม่มีปัญหาอะไรนะครับผู้หญิงนั้นบอกว่ายอมครับยอมทังนั้นแต่พิธีต่างๆนี้ก็ทํำไปจนเรียบร้อยนะครับเมื <ME> ่อเมื่อผู้หญิงคนนี้กลับมาที่กรุงเทพแล้วก็ได้ทาบุญไส่บาททุกวันนะฮใส่บาททุกวันครับใส่บาต ท, ทุกวันพระวันละองค์ก็ปรกากฏว่าก็ยังเข้า เขาอย่ามาฝันฮะฝันตลอดเวลามารบกลัวตลอดเวลาจกนกระทั่งวันหนึ่งเขาเข้ามาหาแล้วเขาก็บอกว่าให้ผลบุญที่ทําไปในเขาได้เขาได้กินเลือกินเนื้อนะฮะของผู้หญิงคนนี้แล้วนะฮะแล้วก็เขาก็ได้อาหารทุกวันแล้วในตอนในฝันที่เห็นนั้นปรากฏว่าเขาไม่ได้ใส่เสื้อแต่ผู้หญิงคนนี้ก็เลยทําบุญนะฮะด้วยเสื้อผ้าไปแล้วก็ในวันต่อมานะเขาก็ฝันอีกเธอก็ฝันว่า ผู้ชายคนนี้ใส่ใส่เสื้อผ้าที่ทัก บ, บุญไปนะครับมาให้เห็นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะกลับเชียงใหม่แล้วนะครับการที่เขาบอกกลับเชียงใหม่นั้นเท่ากับว่าเป็นการที่โอ้โหสินะฮะแต่เขาไม่พูดเฉยเฉยเพราะว่าก็อาจจะมีความในใจอีกมากแต่ขณะเดียวกันในผลบุญที่ผู้หญิงคนนี้ทําให้เค้าเนี่ยทำให้เขาคลายความอาฆาตพยาบาทจองเป็นไปได้นะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็ปรากฏว่า เขาก็ไม่ได้มาเข้าฝันอีกเลยก็แสดงว่าวิจญาณเนี่ยได้ไปบุดไปเกิดแล้วแล้วก็ด้ละการแนละ้าบาทจองเวรแล้วนะครับเรื่องต่างๆที่ผมเล่านี่นะครับก็เป็นเรื่องกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่ยกเป็นตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายได้ฟังถ้าใครสนใจก็ให้พบมาผผู้หญิงคนนี้ได้นะฮะมีชีวิตอยู่นะฮะชื่อลลอยลลยตีหญิงชืนช่นอุทา น, นันนะฮะเดิมทีเป็นโคศกกรมารออยู่ นะครับให้ถามเรื่องนี้นะครับแล้วก็ให้เธอเล่าเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้รู้องสุจริตยาของเจาก่อที่ผมพูดนะครับที่ผมพูดนี้ก็ยกเป็นตัวอย่างขึ้นมาเฉยๆเท่านั้นเองให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีกรรมนะครับคนเราทุกคนเนี่ยนะครับที่ผมพูดต้นแล้วนะครับว่าเมื่อมีเกิดก็ต้องมีตายการเกิดการตายเนี่ยมันก็เหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะก็ต้องมีพระอาทิตย์ตกแต่ว่า เราก็ต้องเปรียบเทียบเอาว่าไอ้การเกิดของเราเนี่ยเหมือนกับเราเราตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็การตายเนี่ยก็เหมือนกับเราหลับไปนะครับแต่ว่าในเบื้องหลังของการหลับไปแล้วกลับมาตื่นอีกนั้นอ่ะมันไม่ใช่เป็นวงจรที่จะต่อเนื่องกันเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยนะครับก็เหมือนเราหลับเนี่ยกว่าเราจะตื่นมาอีกทีนั้นในช่วงนี้มันก็ถ้าเป็นมนุษย์เราก็จะมีการฝันกัน นะครับแต่ว่าเมื่อการตายนั้นเมื่อตายเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องไปในภพหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นภพของโลกสวรรค์กับโลกนรกนะครับคราวนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าคนเราเนี่ยเวลาตายไปแล้วนะมีวิญญาณไหมผมขอตอบว่ามีนะครับวิญญาณวิญญาณของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นสามลาักษณะคือลักษณะแรกก็คืออกาย กายหยาบนะครับเมื่อเราตายไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นตัวเราเองนะครับออกจากร่างเราในลักษณะของตัวของเราเองเลยนะครับหน้าตาของเราเป็นอย่างไรเป็อย่างนั้น เ, เรเรียกว่ากายหยาบนะครับตายหยาบบุคคลที่ออกไปลักษณะเน่้ยนี้นะครับมีแนวนโน้มที่จะไปในโลก 80% แล้วก็ไปสวรรค์ 20% ถ้าถงสงสัยนะะเดี๋ยวฟังต่ อ, อวิ ญ, ญญาณเพื่อที่สองนะครับเราเรียกว่า เป็นผู้ที่มีกายละเอียดบุคคลประเภทนี้นะครับจะมีฟาร์มเป็นอยู่ในสภาพของฟาร์มเป็นอยู่นี้ดีมากนะครับคือเมตคาว่าจะอิ่มทิพย์นะฮะไกอย่างไงก็ได้อย่างนั้นกินอิ่มตามที่เราต้องการทุกอย่างนะครับพวกนี้แน่นอนที่สุดเมื่อเวลาตายแล้วมีกายอย่างนี้ออกจากกลางแน่นอนเขาต้องไปสวรรค์ร้อเอร์เซ็นนะครับตัวเข้าก็เป็นตัวโปร่งแสงนะครับเป็นพลาสติก นะคุณแล้วก็ขาวใสแล้วแต่กรรมของแต่ละของบุคคลนะครับวิญญาณของประเภทที่สามของมนุษย์เราเนี่ยนะครับอันสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่ากายทิพย์อันกายทิพย์นี่นะครับเป็นวิญญาณที่เรียกว่าประเสริฐที่สุดเลยนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวเขาได้มีแต่เสียงเฉยๆนะครับ บุคคลทั้งสามประเภทนี้นะครับจะขึ้นสวรรค์หรือ ล, ลงนรกนั้นก็แล้วแต่กรรมของแต่ละบุคคลชีวิตเมื่อสิ้นไปมันก็เหมือนกับเราต้องจากโลกนี้ไปนั่นเองนะครับการตายนี่นะครับนำฟา้าเข้าโซกะสู่ตัวท่านแล้วก็ผู้ที่ตาย มากมายเยอะขนาดเราจะเห็นนะฮะว่าคนที่ตายไปแล้วนี่นะครับเขานอนหลับอย่างสบายนะครับไอคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยร้องไห้กันกระจององอแงนะครับเวลาใครมาเวลาใครไปในงานศพ ก, ก็ร้องไห้นะครับเป็นความทุกข์ที่เรีกว่าเศร้าโศกที่เราเห็นแต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าคนที่ตายไปนั้นมีความทุกข์มีความเศร้าโศกมากกว่าท่านหลายเท่านะนะครับ การที่เขาตายไปนี่นะฮะาำให้เขาเนี่ยจะต้องหา่างต้องต้องจากสิ่งที่เขาลักไปจากพ่อจากแม่จากปุถุญาจากเพื่อนฝูงที่สนิทไปเพราะนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยถูกทอดทิ้งเพราะเขาไปคนเดียวแต่มาผู้เรายังไม่ตายอยู่หลายคนก็ยังอยู่ที่นี่อยู่แต่เอาเถอะเมื่อเวลาเราตายไปแล้วเนี่ยนะครับคนที่อยู่หลังนี่เขาก็ต้องทำบุญนะครับการทําบุญนี่ก็คืออ่า การที่เราเอาเราลงลุงนะครับมีการลดน้ำศพมีการสวดแล้วก็มีการเผานะครับญาติพี่น้องที่อยู่ข้างหลังนี่เขาก็จะเชิญแขกผู้ใหญ่มาในงานจพของเราบางคนก็พูดว่าอ่าขอให้ท่านไปสู่สุคติเถิด <c oughs> บางคนก็บอกว่าอขอให้ ท่านไปยังสมมาปะเรียระพขอให้ท่านไปดีไปที่ชอบที่ชอบอะไรสํานองนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะนึกนอะไรขึ้นมาแต่ว่าการลดน้ำศพนั้นผมอยากจะพูดว่าคําพูดที่เราพูดกับศพนั้นน่าจะมีคําพูดอยู่งสองอย่างนั้นเองนะครับคือหนึ่งการขออโหสิกรรมกันประการที่สองก็คือการกรอบใจเขาแล้วพูดกับเขาว่า การตายได้เป็นของธรรมดาเขาควรจะลืมนะครับอดีตชาติที่เคยเป็นรนุ ษ, ษะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาในการเดินทางไปเยี่ยมพบใหม่อย่างนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าการที่เราจะให้เขาไปาไปสู่สุคติหรือว่าไปสวรรค์หรือว่าที่ชอบที่ชอบนั้นมันไปไม่ได้เนื่องจากว่ากรรมตังแต่ลุน่นคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนัน้นเวลาเข้าไปเนี่ย เขาก็ต้องไปรับก ร, รมที่ตามที่เขาประามกรรมตาที่เขาสร้างนะครับนะครับเมื่อเราเ อ, อเมื่อเราบรรจุศพเนี่ยลงไปแล้วนะฮะก็ต้องมีการมีการสวดนะฮะหั้งการสวดนี่เราจะต้องสวดแบบอะไรเราที่พระเข้าสวดกันนะฮะเราต้อง ย, าย่าให้พให้พระท่านสวดเนภาษาไทยเพราะการที่สวดเป็นภาษาไทยนั้นไม่สามารถที่จะช่วยให้วิญญาณ น, นี่นะครับ ไปยังสู่สวรรค์หรือว่าไปอีกภกใหม่ได้เนื่องจากพราไทยนั้นเป็นคําไม่ใช่คําสูงของพระเพราะฉะนั้นผมเห็นบางแห่งนะสวดพราเทยไม่ขอให้เลิกสินะฮะขอสวดเป็นภาษาบาลีจะดีกว่านะครับเมื่อเราสวดเสร็จแล้วนี่นะครับเราก็จะมีการบังสกุลในแต่ละวันนะครับเมื่อเราถ่ายตัวเว้นถวายของนั้นนี่นะฮะมีการบังสกุลในแต่ละวัน ในแต่ละวันแต่ละวันในระบางสกุลตายนะฮะเพื่อจะส่งให้ผู้ตายผมคิดว่าไ อ, อการทําบุญหนึ่งนี้นะครับก็ก็ถูกต้องแล้วนะครับเราควรทําแต่คราวนี้บางคนมีเงินก็ทำมากบางคนก็ทําน้อยนะครับทํำมากทาน้อยคือว่าตั้งศพหลาย ว, วันนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะเผาศพเนี่ยละหว่างนี้เราควรทําอะไรบ้างก่อนที่ศพจะเผานี่นะครับ ญาติผู้ตายเนี่ยควรจะทําบุญใส่บาตรให้กับผู้ตายเนี่ยทุกวันเมื่อถึง50วันก็ควรทําสังฆทานสักทีหนึง่งถ้าเราไม่ทําสังฆทานแล้วก็ทําบุญแบบเลี้ยงพระเ้าองค์นะครับเมื่อครบร้อยวันนะครับเราก็ทําบุญเลี้ยงพระเก้าองคอีกครั้งหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้างบุญกุศลให้กับผู้ตายเพราะเราต้องคิดว่าผู้ตายนั้นไม่ได้ทําบุญมาก่อนเลยนะครับเมื่อเวลาตายไปแล้วก็ต้องทําบุญ ตามที่ผมว่านี่นะครับเ <c oughs> มื่อเวลาเผานะครับเราก็คงจะพูดในลักษณะเดียะที่เราลดน้ําศพเหมือนกันนะครับเหมือนกันการลดน้ําศพนะครับเราพูดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าสิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ที่เราจะอะละไปเลยนั้นก็คือการสวดสวดศพนะครสวดหน้าหน้าศพก็เลยสวดสวดหน้าไฟนะ การสวดศพตอนเวลาเผานะครับต้องต้องทํานะครับมีตระสี่ลูปแล้วก็มาสวดอันนี้ถ้าอาจจะเห็นว่ามันสาคัญแต่ผมว่าสําคัญนะครับเพราะว่าการสวดหน้าศพเมื่อเวลาเผานั้นจะเป็นการที่จะปลอบใจวิญญาณของคนตายในด้านเป็นครั้งสุดท้ายม่ให้เข้า่วงล่างครับที่ผมพูดมานี้นะครับก็เป็นการตายนะครับแล้วก็ในระดับต่อไปนี้ผมจะพูดถึงหนึ่ง การที่ตายแล้วเนี่ยฮะจะไปไหนนะครับซึ่งจะเป็นการตายครั้งแรกของผมเองนะครับในปีพุทธศัราช2513เดือนนั้นก็ <c oughs> เป็นเดือนมีนาคมนะครับวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกมีนาคมผมก็เล่นละมีเล่นลามีมากนะครับก็ <c oughs> วันแรกก็กินข้าวได้วันที่สองก็ ทานก๋วยเตียราดหน้าวันที่สามก็เดินน้ำอัดลมนะครับร่างกายมันก็ไม่ไหวเพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะผมก็ เ, เล่นเล่นไพ่มาเป็นเวลาหกเดือนแล้วก็เลิกประมาณสองยามที่หนึ่งทุกวันนะครับพอถึงตอนนี้ก็ร่างกายไม่ ไ, มไหวก็แน่นอนสุดครับมันก็ต้องถึงเสียชีวิตแน่นอนนะครับผมจะลุกไปป่าเสวะฮะในวันที่ วันที่หกนะครับมีนาคมผมรู้สึกว่าผมปวดประสาทเขาจะลุกประสาทเขาก็บกว่าหน้ามืดแล้วก็เป็นลมนะลมลงเพื่อนๆก็มาช่วยกันแล้วก็ถามผมว่าจะกลับไปตายที่ไหนนะครับเพราะว่าเห็นสภาพผมแล้วไม่รอดแน่เพราะหน้าตาแล้วก็โหลลึกลอยลอยลาอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็บอกว่าผมจะไปตายที่บ้านเพราะว่าที่บ้านนั้นมีทั้งคุณแม่ มีทั้งบุตรมีทั้งภรรยานะฮะลูกมีอยู่พร้อมแล้วก็มีทั้งพี่น้องด้วยผมก็อย จ, จะไปตายที่บ้านเพื่อจะพาขึ้นแท็กซี่ไปลงที่บ้านนั้นบ้านผมอยู่ที่สายใต้นะครับบ้านอยู่ที่สายใต้คุณแม่เห็นสภาพผมไม่แก่ข้็สั่นหน้าว่าผมและบัวไม่มีชีวิตรอดแน่แล้วนะครับในช่วงนี้ผมก็รู้สึกว่ามันหน้ามืดแล้วก็มีการนั่นหน้า อ, อกอย่างแรงขึ้นมา คุณแม่ก็พาไปนอนในห้องนอนผมเมื่อไปถึงห้องนอนนะครับผมก็รู้สึกว่าหนาวสัน่นหนาวมากนะครับตรงนั้งคุณแม่เนี่ยตรงไปเอาผ้าห่มของน้องๆฮะและของพี่ๆมาลูบๆเสียผืนมาให้ผมห่มแต่ปรากฏ ว, ว่าผมก็ยังมีความหนาวอคุณแม่ก็คิดว่าผมไม่รอดแม่แล้วก็สั่งให้น้องเนี่ยฮะไปซื้อดอกไม้มากำ น, นะครับ แล้วก็เอามาใส่ที่มือผมจลักมือผมปนมมือเหมือนคนมันจะตายอย่างนี้ะครับแล้วก็ให้ผมพูดคําว่าพระอัลลัห์พระอัลลัห์ผมก็พูดนะฮะพระอัลลนห์พูดไปคำสองคาเจ็ดก็ผมรู้สึกว่าไอ้น้ําที่ยังจุดน่องอกผมเนี่ยมันเย็นเสียบเลยนะครับแต่ว่าตรวหัวไหลผมนีะครับมันมีน้ําอุ่นๆ น, นะครับไหลลงมาเป็นทาง ผมก็รู้ว่าแม่เนี่ยร้องไห้เพราะว่าทำไมาจะไม่ร้องไห้ในเมื่อเมื่อปีที่แล้วคุณพ่อก็เสียไปแล้วก็พอปีนี้ก็ผมไม่ต้องมาเสียหีดในชีวิตของแม่เนี่ยแม่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะต้องมาเห็นลูกตายต่อหน้าตัวเองคงคิดว่าตัวเองตายแล้วก็ลูกจะต้องเป็นผู้ทำศพให้แต่ปรากฏว่าตอนนี้ลูกคนที่ส า, ามกลังจะตายจากไป แม่ก็มีความสงสารเพราะว่าใ้ความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่เศร้าโศกมากและมาเกิดตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อายุแม่เขามากแล้วเนี่ยทำให้แม่เนี่ยบัรทับจิตใจไม่ได้แม่ก็ร้องไห้ผมก็รู้สึกว่าผมเสียใจมากเพราะว่าเราทำให้คุณแม่เนี่ยผิดหวังเพราะว่าเมื่อเิ่งคุณพ่อแล้วไม่มีใครตักเตือนเราได้เรามีเสดีมากเหลือเกินเพละนนั้น เมื่อเวลาเราจะตายแล้วก็นึกถึงแม่นะครับนึกถึงแม่แล้วก็นึกถึงควงามลาบากของแม่ที่เลี้ยงเรามาตั้งโตก่องจะให้เราเรียนบทเรียนแต่เราก็ต้องมาตายซะก่อนผมก็ร้องไห้ <c oughs> แม่ก็ร้องไห้ในช่วงนี้ผมก็รู้สึกว่าผมได้ยินเสียงระฆังดังแว่วตะไก่ระฆังนั้นก็เหมือนกับระฆังที่เป็นปรูปเบโพที่เขาแขวนไว้ที่ ตามอ่ะตามตามรัขกขาโบสถ์นะครับแต่คุณแม่คุณบอกว่าคนรวยเ้ามีเงินเขาก็ซื้อได้เ้าก็เอามาไว้ที่บ้านได้แต่เราเราเป็นคนจนอ่ะเราจะทํางั้นไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นอยา่าไปคิดถึงเรื่องนี้เลยก็ขอให้เราเนี่ยว่าคําว่าพ่ อ, อหลานไปผมก็ว่าพ่ อ, อหลานไปเพราะว่าไปได้สองสามคำเสร็จก็ได้ยินเสียงถ้า <c oughs> สวดนะครับ ได้ยินเสียง้าสวดแม่ก็บอกว่าเสียง้าสวดเนี่เพราะว่ามีคนตายใกล้ๆบ้านแล้วก็คนตายก็มีเงินเขาก็สามารถที่จะเอาพระมาสวดที่บ้านได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมากเลยเขาก็สู๋ไหวอย่างถ้าเราเราเนี่ถ้ า, า, า, ามีคนตายาาตั้คนพุทธศตวรรษที่วัดปีกว่าเพราะว่าเราเสียจพะพอเองค่าข้าวต้มหรือค่ากุญเตียวถ้วยเดียวมือเดีย ว, ว, ยยวนะครับคุณแม่ก็บอกจะ่าไปสนใจในเรื่องนี้นนะขอให้ลูกทําใจให้สงบแล้วก็วัดพระอรหัน ผมก็ว่าพ่อลหันหในช่วงสุดท้ายนี่ผมก็เห็นหนังมันลอยมาจากหนังผังผืนนะครับมันลอยมาจากันท้องฟ้าแล้วมันก็วิ่งเข้ามาหาหน้าผมแต่พอตอนที่ผมเห็นครั้งสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นในหนังคังคกเสร็จแล้วก็ให้หนังคังคกเนี่ยมันก็สัมีดปุ่มตะปั่แล้วมันหน้าเกลียดมากมันก็ลอยมาปิดหน้าผม ผมก็รูส้สึกสี่เสียนนะก็เลยแลแกลิ้นลงมายาวเลยเมื่อผมแด้ลิ้นออกามายาวเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่ก็บอกผมว่าคอพับแล้วก็นี่สีดังซีแล้วก็ไม่มีลมหายใจอีกเลยนะครับในช่วงนี้ก็คุณแม่ก็บอกว่าผมเนี่ยตายแล้วแค่ก็ลงไปข้างล่างแล้วก็ไปบอกญาติพี่น้องว่าผมเนี่ยเสียแล้วญาติพี่น้องผมก็ร้องไห้กันจรององเนี่ยนะครับ ในระหว่างนี้ผมก็รู้สึกตัวว่าผมนะครับได้มา อ, อยู่ในที่แห่งใหม่ที่ที่ผมไม่เคยพบมาก่อนเลยผมรู้สึกว่าือเวลาผมเดินไปนะฮะพื้นเปนเรียบเหมือนสนามบินดอนเมืองแล้วก็ผมแต่งตัวไม่เหมือนกับคนที่ผมเห็นนะครับคือผมสนมกางเกงขาสั้ น, นสีกรมท่า แล้ก็ขอจะยืดคอกลมนะครับส่วนคนที่เข้าไปกับผมนั้นเดินบรรยากาศกับผมนั้นเข้าแบบแบบคนตายนะฮะมีผ้ามัตาสังนะฮะแบบคนตายแล้วก็เดินลักษณะของยงยงนะครับมือขวาแกวงข้างหลังแต่ว่ามือซ้ายนั้นเอามาือมาจับที่คางนะครับแล้วก็ใบหน้าเขาเนี่ยเปิดให้เห็นใบหน้าเป็นมาถามเปียกแล้วก็ทุกคนนะฮะมีความเศร้าโศกมาก สังเกตได้ว่าเขา้องห้ทุกคนนะครับแต่เวลาเราเรามองดูขาเขานะครับดูมือเขาเนี่ยมันไม่เหมือนของผมของผมมีเนื้อแต่ของเขาไม่มีเนื้อมันแตกตัวนี้นะฮะแล้วก็ไอ้ตรงช่วงหัวเข่าลงมาจากพื้นนะฮะเราไม่สามารถมองเห็นขาเขาได้เนื่องจากว่ามันมีหมอกสีข า, ขาวๆทึบนะฮะลอยอยู่ที่อ่าที่ที่พื้นที่เราเดินอยู่เราจะเห็นว่าไอ้ตรง ขาข า, ขาวเข้าจะยังชุ่มขานะฮะเป็นกระดูกและกระดูกนั้นที่ผมสังเกตของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันคือบางคนเป็นสีดํานะฮะกระดูกเป็นสะีดําแล้วบางคนก็กระดูกเป็นสีเขียวออกแดงแดงเหลืองๆนะครับอันนี้ผมเดาได้นะครับว่าสําหรับกระดูกสีดํานั้นหมายความว่ผู้ที่ตายไปแล้วแล้วก็ถูกเผาไปแล้วแต่ส า, าหรับกระดูกเหลือ ง, งก็ออกสีสีเขียวยังน่าจะเป็นคนที่ถูกฝังแต่ยังไม่ได้เผานะครับ คนคนต่าเหล่านี้นะครับเขาเดินไปไหนไม่ทราบแล้วก็ไม่รู้นะฮะต่างคนต่างเลยกันไปข้างหน้านะครับแล้วเดินไปก็ร้องไห้ไปซึ่งาการร้องไห้เนี่ยฮะผมไม่รู้ตอนหลังว่ า, าการที่เขาร้องไห้นั้นเขามีเหตุผลอยู่สองประการคือหนึ่งเมื่อตอนสมัยที่เขาอา่ยังมีชีวิตอยู่นั้นนะครับเข า, าเขามีเงินมากแต่ว่าเขาไม่ได้ทําบุญเลย พอเวลาเดินทางมาในโลกของโลกใหม่นี่นะครับเวลาเข้าหิวข้าวเนี่ยทางซ้ายมือผมเนี่ยฮะมันจะมีคนเอาเคาให้โต๊ะกับข้าวเนี่ยฮะมาตั้งแล้วก็ให้คนที่ทําบุญนะฮะกินเหมือนคนใส่บาตรใน ม, นมนุษย์นะครับแต่ต่าหากคนที่ไม่ทําบุญเลยนะฮะไม่สามารถที่จะมากินได้ครับอันนี้เขาเสียใจมากครับเขาอยากจะกลับไปเป็นมนุษย์ใหม่แต่เขาไม่สามารถที่จะกลับเป็นมนุษย์ได้เพราะว่าเขาตายแล้วแล้วเขาถูกเผาแล้ว ประการที่สองที่เขาร้องไห้มากมายเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่ได้แบ่งสมบัติหรื อ, อ <c oughs> ยังไม่ได้ อ, อ, อะไรจัดสรรที่ดินหรือว่าทรัพย์สินเงินทองที่เขามีอยู่นี่ให้กับลูกของเขาหรือว่าภรรยาของเขาแต่เขาต้องมาตายเสก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็มีความโศมใจนะครับโดยเฉพาะบุตร ซึ่งเป็นบุตรที่เป็นคนเล็กหนึ่งนะฮะเป็นผู้หญิงหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ที่พิการเนี่ยอันนี้เขาจะมีความรู้สึกว่าเขามีความหูหญ่มากเพราะฉะนั้นเขาถึงร้องไห้ด้วยสาเหตุสองประการนะครับวิญญาณของของคนประเภทนี้น่าสงสารมากครับเราเราเราดูไม่ออกนะครับว่าเป็นพวกแขกหรือว่าเป็นพวกฝรั่งเพราะว่าคนพวกนี้นะฮะเรามันมีแต่พวก กระโหลกนะครับมีพวกกระโหลกแล้วก็มีพวกหนังนะฮุมกระดูกหนังแห้งๆหุ้มกระดูกซึ่งเราก็ไม่รู้เลยนะครับแล้วก็ดวงตาเนี่ยมันลิกโบมันไม่เหมือนอย่างมนุษย์นะครับมันมองไม่ออกนะครับว่าเป็นพวกชนต่างชาตินะครับว่านคนๆท่าถือศาสนาอื่นผมก็เลยเหมาสเอาว่าเป็นคนศาสนาพุทธหมดนะฮะเพื่อความอ่ากระชับในการบรรยายนะครับ มันจะมีคนนะฮะกระซิบผมนะฮะอยู่บนทีศศาผมตลอดเวลาเลยว่าอย่ามองซ้ายอย่ามองขวาขอให้เดินไปข้างหน้าแล้วก็อย่ามองไปข้างหลังถ้าหากว่าท่านฝ่าฝืนท่านจะมีความผิดมากท่านจะมีโทษคำว่าโทษของคนที่ตายไปแล้วนี่นะครับเวลาถูกลงโทษนั้นมันหนักมากกว่าที่เราอยู่นบนมนุษย์นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งโทษของเขาเนี่ยรับสารภาพแล้วไม่มีการลดคึ่งราคานะครับ เราเรามีโทษถูกเคี่ยนตีวันสาครั้งเราเขาถูกวันละสามครั้งเราจะเหลือวันละสองครั้งไม่ได้เพราะว่าคําพูดที่เราที่พูดไปกับเขาเนี่นะครับมันเหมือนสัตว์เลยนะพูดกับคนเราฟังคนนะฮะพูดกันรู้เรื่องนะฮะแต่ว่าคนที่เขาควบคุมเราเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะยอมรับภาษาของเราได้เหมือนเราจะเอาไก่ไปเชือดนี่นะครับเราบอกแม้ไก่ตัวนี้นะเหมาะในการที่จะเอาไปทําไก่ต้มขาหรือว่าไก่อบฟางอะไรเงี้ย แต่ไก่มันร้องอออกันมัมันร้องขอชีวิตนะครับแต่เราเราเราคิดว่ามันเน่ยมันมันมันมันมันร้องเพราะว่าอะไรไอ้ความขนุนสนาของเราอ่ะมันมันมันมันมันกลับกันเลยนะครับคือฟังกันแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะครับคือในช่วงนี้ผมก็รู้สึกว่าผมได้รับกลิ่นหอมมากนะครับผมก็แง้มหน้าขึ้นไปดูข้างบนก็ปรากฏว่ามันมีลากไม้สีเขียวอ่อนลอยอยู่ข้างบนนะครับ และไอากไม้เนี่ยมันก็มีกลิ่นหอมส่งตลบอบอุนหมดเลยทําให้เราเนี่ยฮะลืมอดีตที่เราเป็นมนุษย์อยู่ทําให้เราลืมญาติพี่น้องได้แทบจะสิ้นเชิงเลยนะครับกลิ่นหอมนี่ะครับมันชวนเราให้เราลืมนะอดีตชาตินะครับแล้วก็มีเสียงของคนเนี่ยนะฮะ บ, บอกให้เราเดินไปข้างหน้าตลอดเวลาเสียงนี้เราก็พยายามมองหาแต่เรามองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นแต่เสียง ซึ่งเราไม่รู้ตัวหลังทิ้งว่าเสียงนี้คือคือคนที่มีหน้าที่อยู่ในเมืองในโกและก็ในเมืองสวรรค์นั่นเองแต่ว่าเขามีสภาพอย่างนี้เพราะว่าเข า, าสร้างบุญกุศลมากเขาจึงมีวิญญาณในลักษณะของกายทิพย์ที่ผมได้ได้พูดมาแล้วนะครับพวกกายทิพย์นี่ครับพวกนี้ส่วนมากเมื่อเวลาตายไปแล้วจะมักจะมไม่ไมอยได้กเกิดมักลับมาเกิดนะครับเพราะว่า เข้าสร้างบุญบุญล่วไว้เยอะเหลือเกินเพราะนั้นเขาผ่านในเรื่องของกายหยาของการละเอียดไปแล้วนะครับเมื่อผมหิวนะครับผมก็รู้สึกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขาเรียกผมเข้าไปแล้วเขาบอกว่าอาหารของคุณเสนออยู่ที่นี้นะครับขอให้เข้ามาทานที่นี่ผมก็ดีใจครับว่าผมหิวแล้วก็มีอาหารทานนะครับผมตรงเข้าไปแล้วผมก็ทานด้วยความหิวโหวย นะครับอาหารที่ผมทานนะครับมันก็มีอ่แกงเนื้อแกงไก่แกงกระดูกแกงปลาไหลนะครับแล้วก็มีไข่เคี่ยวไข่ดาวไข่ทอดเนี่ยเยอะแยะหมดเลยนะครับไข่ลูกเขยไข่ต้มเนี่ยเยอะเพราะว่าอาหารตตาเหล่านี้นะครับผมทําบุญไว้มากเพราะตอนผมเป็นมนุษย์นะครับเมื่อตอนที่ผมที่ผมอายุดได้เจดขวบหรือหกขวบนี่ผมได้ทาบุญสาบาตรทุกวันที่ผมได้เล่าให้ฟังแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น เมื่อเวลาผมกินข้าวไปเนี่ยผมนึกอยู่ตลอดเวลาว่าไอ้ข้าวแดงที่ใส่ในขันทองเหลืองเนี่ยผมเคยเห็นที่ไหนแล้วก็ไอ้ข้าว ข, ขาวเนี่ยนะฮะที่ใส่ในผันอลูมิเนียมเนี่ยผมเคยเห็นที่ไหนผมทานไปผมก็นึกได้นะครับว่าอาหารข้าวกับต่างๆเหล่าเนี้ผมเคยทําบุญนะครับเคยทําบุญไว้แล้วก็ขันต่างๆที่ผมเห็นเนี่ยเป็นขันล้างหน้าของคุณพ่อคุณแม่ผมที่ใส่ข้าวให้ผมใส่บาตร นะครับเมื่อตอนผมเป็นเด็กเด็กเพราะฉะนั้นเมื่อผมกินอิ่มเสร็จพับเนี่ยนะครับผมก็เลยบอกว่าผมขิวน้าเมื่อผมบอกผมขิวน้ำนะฮะผู้หญิงคนนั้นนะฮะที่เข้ามารับผมเนี่ยเ้าพยายามมองหาน้าเหมือนโต๊ะแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีหน้าของผมเลยเพราะเขาบอกว่าเมื่อตอนสมัยผมตป็นมนุษย์นั้นผมไม่ได้ทำบุญด้วยน้าผมก็บอกว่าอ้าวผมตายแล้วเหรอเนี่ยเขาบอกอ้าคุณไม่รู้เหรอว่าคุณตายคุณก็ตายแล้วนะ แล้วคุณจะต้องไปอีกไกลอย่าให้คุณกินให้อิ่มๆผมบอกว่าผมจะกลับเป็นมนุษย์ใหม่นะฮะกลับเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อว่าทําบุญ น, นานเๆเจอแล้วผมจะได้มีน้ํากินเขาก็บอกว่าคนที่มาที่นี่แล้วไม่มีใครกลับได้สักคนผมก็บอกผมจะกลับไปทําบุญเขาก็หัวเราครับผู้หญิงตคนนี้นะครับแต่แต่งตัวก็ <c oughs> สะาสะอ้านมากนะฮะใส่ผ้าถุงนะฮะนุ่มผ้าถุงก็สีเขียวแบบสีเขียวญ้านะครับ แล้วก็เสื้อก็เป็นผ้าได้ดิดนะฮะเป็นเสื้อแขนยาวทรงกระบอกผ้าได้ดิดแล้วก็ผมแกก็ผมปล่อยยาวธรรมดาแล้วก็มีปิ่นปักผมเป็นไม้ไผ่นะฮะหน้าตาแกก็สดชื่นแจ่มใสนะครับคล้ายคนไม่มีทุกข์เลยนะครับในตัวแกก็มีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมที่ว่านี่มันไม่เหมือนกลิ่นหอมที่อยู่บนทิ่สามผมนะครับมันเป็นกลิ่นหอมในลักษณะของอกลิ่นกระบูลนะฮะ ที่ล้าเอาเกสรดอกไม้นะฮะมาตำผสมกันไอ้เกสรดอกไม้ที่ว่าเลยก็ดอกทานตะวันบางดอกลาวเรืองดอกกุลาบนะฮะดอกพุทธรักษาอะไรพวกนี้นะเราเามาประตํำตากับไอ้กระบุนแล้วก็มามาแต้มกับเสื้อผ้าของแก่อันนี้เป็นกลิ่นหอมนะครับมันต่างกันนะฮะกลิ่นหอมนี่มันมันก็ชื่นใจนะครับในระหว่างนั้นผมก็เหลือไปทางซ้ายนะครับเหลือทางซ้ายของผมผู้ชายสูงประมาณเมต80ดสิเซน แกก็ตัดผมเกียนนุ่งเกีขาสั้นนะฮะใส่เสื้อผ้าเดรดิบแขนสั้นเหมือนกันแกก็ถามผมบอกว่าคุณคุณเห็นนายผมไหมผมมาลอนายผมนานแลนายผมไม่มาสักทีผมบอกผมไม่เห็นหรอกเพราะว่าผมอ่าไม่รู้จักนะฮะว่านายท่านเป็นใครแล้วแกก็ชะงงอกหน้าดูนะครับในระหวา่าผมก็มองดูทางซ้ายต่อหน้าโ ต, าตแกนเนเีน่เป็นเก้าอี้มุกนะครับเป็นเก้าอี้มุก ผมสังเกตเห็นนะครับว่าในขันข่าของแกนั้นข้าวนะฮะมีฟันขึ้นฉุยเลยแล้วก็ขันแกในขันเงินใหญ่สีขาวนะครับแล้วก็ข้างๆก็มีปินโตที่ปินโตขาวนะครับแล้วก็มีพวกต้มยำกุ้งนะฮะแล้วก็มีพวกต้มขาไก่แล้วก็มีอาหารดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะผมเห็นไก่ตุนไก่ตอนนะฮะ เป็ดย่างเนี่ยเต็มไปหมดเลยผลไม้เนี่ยนะครับไอพวกเ น, น, น, นื้อหนานในลูกไปเลยเลยแล้ผมลูกเลกนิดเดียเองมันต่างกันมากนะครับกล้วยเขาเนี่ยมันกล้วยหอมทองแท้แต่กล้วยของผมนี่มันเป็นกล้วยแบบหอมรีบนะฮะมันมันต่างกันตรงนี้ฮนะแล้วก็ผลไม้ของผมเนี่ยก็มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ของเขาเนี่ยดีมากในระหว่างที่ผมดูเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่ามีมีมีมเสียงมาพูดกับผมว่าอย่าไปมองอาหารของเขานะ จะมีบาปจะไปมองครับทําให้ผมเนี่ยฮะกลับมามองอาหารของตัวเองในขณะเดียวกันนะผมก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนะฮะแต่งชุดขาวแบบไเสื้อผ้ามัตตาสังเนี่ยนะครับมากินข้าวทางขวามือผมแล้วแกกินไปแกก็ร้องไห้ไปผมก็ถามผู้หญิงที่ข้าเอาข้ามาให้ผู้ชายคนนี้กินผมก็ถามเหมือกว่าอาหารข้าขๆทำไมเหมือนผมเนี่ยของข้าวมีแต่ของบุดบุเ น, น่าเนาทั้งนั้นเลยผู้หญิงคนนั้นก็เล่าให้ฟังว่า เมื่อตอนสมัยที่ผู้ชายคนนี้เป็นมนุษย์อยู่นะครับผู้ชายคนนี้เป็นพ่อค้านะครับแต่ไม่ทราบาขายอาหารประเภทไหนนะครับคือไม่รู้ว่าเป็นในประเภทข้าวหมูแดงหรือว่าข้ามังไกนะฮะตอนเช้าก็จะมีพระเนะี่ยหมาบิณฑบาตแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นะครับ พยายามจะไล่มาให้พระเนี่ยฮะมันบินทบาตรที่น่าล้างแกเพราะว่าเมืม่อไปมาบินทบาตแล้วปรากฏว่าคนจะไม่เข้าลานเพราะนั้นวิธีหนึ่งที่แกต้องการไล่ก็คือการแกล้งนะครับเพราะการไล่เนี่ยฮะเป็นโลกนินทาแกก็ใช้วิธีตอนเช้านะครับเวลาพระมายืนแกก็หุงข้าวดิบนะหุงข้าวดิบแล้วก็เอากล้วยเน่าเนี่ยใส่นะครับพากลับไปวัดพระก็เข้าใจผิด นะครับนึกว่าเขาคงรีบเอ็นมาหุงข้าวนะฮะกื่อยข้าวก็เลยไม่สุกนะครับพอวันรุ่งขึ้นก็ไปใหม่นะครับไอตัวพ่อค้าคนนี้ก็เอาข้าวไหมเนี่ยใส่นะครับเมื่อวานเนื้อาข้าวดิบเนื้อข้าวไหมใส่พอข้าวไหมใส่พักนี่ก็กลับไปพักเลยท่านก็นึกว่าอ่าเขาหุงเพลินนะฮะก็เลยทำให้ข้าวเนี่ยดิบไห้ข้าวไหมจำไ่มทาให้ข้าวเนี่ยไหมเขาก็เลย พระท่านก็เลยมาไหมทีไหมวันพอไหมวันก็รู้นะตอนนี้เพราะว่าให้เจ้าพ่อค้าคนนี้เข้าข้าวที่บูดนะเป็นลาสีเขียวขึ้นออกทั้งถึงมาใส่แล้วก็ผลไม้ก็เอาพวกไอ้กล้วยเน่าแล้วก็แนื้นาที่มีหนอนเนี่ยเอามาใส่ด้วยเหตุนี้ฮนะวันรุงขึ้นพระก็ไม่มามามาใส่บาตรยังมารับบาตอีกเลยนะครับก็เป็นการไล่พระทางอ้อมของผู้ชายคนนี้ ตอนนั้นมือวิชาคนนี้ตายมาเขาก็ได้กินอาหารประเภทนี้ครับน่าทุกข์สารมากนะเขกินไปแล้วเขาก็ร้องไห้ไปนะครับแต่เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ในช่วงนี้ผมก็บอกว่าผมหิวน้ําแล้วผมจะกลับไปเป็นมนุษย์แล้วเขาก็ถามบอกว่ า, าคุณอิ่มแล้วใช่ไหมเขาบอกผมอีกมแล้วพอพูดคํำว่าอิ่แล้วน ะ, ะอาหารที่เรากินเนี่ยนะครับหมดไปแล้วเนี่ย ไขด่ดาวไข่ต้มไข่เจียวเนี่นะฮะผูกแกงเนื้อแกงไก่แกงปลาไเนี่ยแกงกระดุกเนี่ยปลาทูทอดเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นมาเต็มจานเลยมันก็แปลกดีนะฮะผมที่บอกไอ้มันแปลกดีได้เกินว่าทําไมมันมันมันลอยขึ้นมาเต็มได้ยังไงนะครับในช่วงนี้ผมก็รู้สึกหิวหน้าเป็นกําลังนะครับก็สังเกตดูนะัะผู้หญิงคนนั้นก็แกก็เริ่มเริ่มจะไปนะฮะ เริ่มจะไปแกก็บอกว่าผมต้องไปอีกไกลนี่ครับแกแกจะไปคอยผข้างหน้านะฮะแล้วผมบอกให้ไปได้แกก็แบกไอ้โต๊ะ ก, กับข้าวเนี่ยแหละครับเดินไปเสร็จแล้วแกก็ลอยหายไปเลยนะะมันก็มีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่เอาข้าวมาให้ผมกินนะฮะไอ้ช่องว่างอันนี้แหละครับที่ผม เดินทางกลับนะครับเพราะว่าพผมจะเดินทางกลับข้างหลังมันเดินกลับไม่ได้เพราะว่าเขาสั่งห้ามผมไม่ให้เหลืยวหลังเพราะฉะนั้นการกลับทางเก่าก็กลับไม่ได้ผมก็ต้องกลับในลักษณะของคนที่เ้าเอาข้าวมาให้ผมกินนี่นะครับมันก็มีช่องว่างผาก็เลยท่าไปเหยียบพื้นมันก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่นิ่มฮะมันรู้สึกว่ามันคล้ขาครเป็นในหินแหลมคมก็บาดขาผมผมก็ก้าวเท้า ข, าขวาเท้าซ้ายไปก็รู้สึกว่ามัน เจ็บปวดมากนะครับก็มานม า, มาคิดว่าเอ๊ะจะกลับไปดีไม่ดีวะนะครับแต่ว่าไอา้ความตั้งใจที่หิวน้ำํำก็อยากจะกินน้ําก็เลยทําให้เราเนี่ยเดินนะฮะเดินโดยที่เอามือเนี่ยผลักตูดของคนที่เขาเอาข้าวมารับคน ท, ที่ที่ตายแล้วเนี่ยนะครับเราเดินไปเดินไปจนกระทั่งเราก็หน้ามืดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราหมดแรงเป็นลมไป แล้วผมลืมตาขึ้นมานะครับผมก็รู้สึกว่าผมได้พบคุณแม่ผมนั่งอยู่ข้างๆผมร้องหิวน้ํานะครับร้ <c oughs> องหิวน้ำคุณแม่ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะฟื้นขึ้นมาเพราะตอนนั้นเป็นไปวันที่เจ็ดนะครับเวลาประมาณเกือกืบจะสี่โมงเย็นแนละ้วคือผมเนี่ยหมดลมไปประมาณนะ่ะจกเกือบสี่ทุ่มนะฮะของวันที่หกเดือนมีนาคมนะฮะแต่ตอนนี้ผมก็ฟื้นขึ้นมา ผมก็เล่าเรื่องนี้ให้คุณแม่ฟังนะครับคุณแม่ก็บอกว่าเมื่อตอนที่ผมหมดลมไปนั้นคุณแม่ก็ได้จุดทูบแล้วก็ขอชีวิตผมตลอดเวลาเพราะคุณแม่บอกว่าถ้าหากว่าไม่มีผมแล้วเนี่ยจะทําให้น้องๆ อ, อีกเจ็ดคนเนี่ยลำบากเพราะว่าคุณพ่อเขาเสียไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่มีผมก็ลูกน้อ ง, อ ง, องก็ต้องเป็นผู้กรรมกรหรือว่าเป็นเด็กขายพวกอะไรตามสี่แยก นะครับซึ่งเป็นชีวิต ท, ที่น่าเวทนามากคุณแม่ก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ละงนั้นผ ม, มต้องเข้าเรือบาล น, นะครับรักษาตัวอยู่หลายวันเหมือนกันขอร่างกายจะแข็งแรงขึ้นเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของที่ผมหมดลงไปในครั้งแรกแล้วก็ได้กลับมาสรุปแล้วในครั้งแรกนี้ที่ผมไปก็ก็ยังไม่ถึง อ, อะไรเลยนะครับก็ยังไม่พบอะไรนะครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมไปเจอก็คือคนที่ทําบุญไว้นะครับทําอะไรก็ได้อย่างนั้นใครที่ไม่ทําก็ไม่มีอะไรกินนะครับคนที่เดินไปเดินมานนัเขาเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะแวะไปทางซ้ายมือเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทำบุญไว้แล้วอํานาจที่บังคับนั้นนะทุกคนเกรงกลัวมากอย่างนั้นนะครับผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับพยายามทําบุญนะฮะตั้งแต่ปัดนี้เพราะว่า เวลาของการเป็นมนุษย์นั้นมันน้อยเลยเกินและอีกอย่างหนึ่งการที่เราทําบุญได้เนี่ยล้วก็ทําบุญได้ในช่วงที่เราเป็นมนุษย์เท่านั้นเองแต่ากวาเราเป็นสัตว์เนี่ยมันทําบุญไม่ได้นะครับเพราะนั้นโอกาสของเราเนี่ยการทําบุญตอนเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันรู้สึกว่าจะเป็นโอกาสดีคนอื่นเขาครับนี่ก็ <c oughs> เล่ามาให้ท่านฟังนะครับถึ่เรื่องการไปครั้งแรกของผมนั้น ว่าได้พบไดเห็นอะไรบ้างผมก็ล่าท่านฟังแล้วนะครับคราวนี้ผมอยากจ ะ, ะเล่าาของเล็กน้อยสนิดหนึงนะฮะที่ที่ผมไปป่วยที่รือบานพระมงกุฎนะฮะคือเมื่อตอนที่ผมป่วยนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎห้อง619ตั้งแต่พิจิกาจนถึงธันวาที่ผมเคยพูดไปแล้วทีนะฮะคือในช่วงนั้นนะครับ ผมป่วยเป็นโรคไตาวายฮะป่วยมากที่สุดเลยคราวนี้ก็คุณหมอก็รักษาในการล่างหน้าทอ้องคึกเจาะทางสะดือแล้วก็เอานา้ําใส่ท้องเข้าไปแล้วก็ให้ของเสียมันออกมาคุณหมอก็บอกว่าผมคงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินหเดือนนะครับไอ้ที่พูดนี่ไม่แช่งเพราะว่าดูผลของเลือดแล้วผมเสียมากนะฮะวันนั้นก็ เป็นวันจุดท้ายที่คุณหมอเห็นว่าผมร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็จะให้ผมกลับบ้านก็เป็นวันที่8มกราคมนะพฤศจิกา2528คุณหมอบอกว่าให้ผมกลับบ้านได้เพราะว่าร่างกายแข็งแรงแล้วผมก็พูดกับภรรยาว่าการมาป่วยครั้งนี้นึกว่าจะไม่ได้กลับบ้านแล้ว นึกว่าออกจากโรงพยบาลก็ไปวัดโสมเลยนะครับรู้สึกดีใจมากนะฮะวันนี้ที่หมอให้กลับผมก็บอกว่าผมจะกลับวันนี้เลยไม่ได้เพราะขนานี้เป็นสี่โมงเย็นแล้วนะครับผมอยากจะกลับพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอนอนอีกวันหนึงหมอโอ้ไปเป็นไรหรอกนะครับอันนี้ตอนกลางคืนเราก็ดูทีวีกันวันนั้นนะครับก็เป็นวันที่ผมมีความสุขมากเพราะผมดีใจว่าผมได้กลับไปนอนบ้าน เพราะว่าป่วยมาตั้งแต่พฤศจิกา27จนกทั้งถึงมุกราลา28นี่เป็นเวลาเกือบเจสิบวันเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะได้กลับบ้านเราก็ดีใจสุขภาพจิตก็ดีนะฮะวันนั้นก็ดูทีวีเรื่องคุณศึกนักคุยคุณึกนักคุยนี่นะครับตอนจบเนี่ยคุณศึกนักคุยเนี่ยมันตายนะฮะแต่ว่าตอนตายนี่ก็แทนที่จะถูกนำมาตัดทิศะ ไอ้สุศึกนักคุยมันก็ข อ, อยาพิษกินนะครับพอกินเสร็จพับมันก็ยืนตายผมก็ชมว่าไอ้คุศึกนักคุยนี่นมันเก่งจริงนะครับตายสมชายชาติทหารผมก็ชวนภรรยาบอกว่านอนเถอะขนาดนี้สองยามสิบห้าแล้วเรานอนเถิดพรุ่งนี้เราจะกลับไปนอนที่บ้านกันบอกพ่อมีความสุขเหลือเกินนะฮะผมใช้คําพูดตัวเองนะฮะเรียกว่าพ่อ แล้วก็เรียกแฟนมาแม่นะฮะผมลงนอนนะครับแฟนผมก็ลงนอนพร้อมๆกันด้วยความอ่อนเพียเพราะว่าภรรยาผมเนี่ยได้รับใช้ปฏิบัติผมมาเป็นเวลานานนะฮะเพราะว่าผมหลับกแบบ ก, ก, ออก่ไม่ค่อยหลับเหมืันพรนั่นแกก็มีความอ่อนเพลียมากเมื่อเวลาหัวถึงหมอแกก็หลับฟรีไปเลยแต่ผมนี่แหละครับพอนอนทับเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่า จะหลับก็ไม่เชิงนะฮะจะตื่นก็ไม่ใช่ไม่ยังไงยังไงไม่รู้นะครับพอนอนไปทับเนี่ยนะครับก็ได้ยินเสียงนะครับว่ามีคนมาร้องไห้าอยู่ทางซ้ายมือผมเป็จนจำนวนมากนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ลืมตาขึ้นมาดูทางขวามือทางขวามือนี่ผมเห็นผู้หญิงสองคนนะครับแต่งกายลักษณะที่เรียกว่ามอมแมมมากเลยนะฮะเสื้อเสื้อขาวแต่ว่ามอมแมมไปทุู้กี่คนนะครับ เสื้อขาวผ้าไดดิดนะครับแล้วก็นุ่งป้ถุงก็สีน้าตาลไหมนะครับผ้าไดดิดน้ำตาลไหมสกปรกมากครับผมดูนะไอ้ไอ้หน้าของแกนี่นะฮะไม่ใช่เป็นหน้าคนเลยฮะมันเป็นคล้ายๆเป็นหน้าผีมากกว่าก็ไม่มีแต่กระดูกนะครับมีตัวหัวกะโหลกแล้วก็มีไอ้หนังหุ้มกระดูกดวงตาลึกโบแล้วก็แห้งผากหมดเลยแล้วก็มือแกนี่นะฮะเป็นกระดูก น่าเกลียดมากนะครับแกจับมือผมขึ้นไปแล้วก็ว่าที่แก้มแก่แล้วแกก็ร้องไห้นะครับผู้หญิงสองคนนะครับแกก็ร้องไห้นะครับดวงตาแกแกพยายามมองผมนะฮะแต่ว่าผมมองดูแล้วแกมองขึ้นแบบผมพดานพื้นท้องมากกว่านะครับดวงตาแกนะฮะแห้งผากเท่าไหร่นะครับยังมีสีเลือดออกมาด้วยคล้ายๆว่าแกร้องไห้จนทั้งตาเป็นสายเลือดนะครับ แล้วผมแกเนี่ยฮะคล้ายๆคนมันเคยสระผมมาเลยผมแกชี้เดไปทางซ้ายทางขวาไม่ยุ่งเยอะหมดเลยครับเรียกว่าไอ้ผมคล้ายๆผมทรงพังอย่างนั้นนะครับผมทรงพังแบบที่ดอนคิงที่เขาเป็นโปรโมเตอร์มวยโลกนี่นะครับแกก็ทําผมทรงอย่างนั้นนะครับฟูๆอย่างนั้นนะรู้สึกว่าตัวแกมีกลิ่นเหม็นสับสากนะครับแกร้องไห้ไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนะแกร้องไห้อย่างเดียว ผมก็หันไปทางซ้ายมือเพราะทางซ้ายมือผมเห็นเนี่ยเห็นคนจำนวนมากเลยนะครับนะแต่ว่าผอมเนื้อติดกระดูกเลยนะครับแต่ไม่หมดเลยนะครับแล้วก็อ่ามือนี่นะครับยกขึ้นยกชูดยกลงนะยกขึ้นยกลงนะไม่ไหวประมาณสักเป็นร้อยเป็นพันมือได้นะครับแล้วก็ฝ่ามือแกเหลืองนะครับเหลืองเหลืองต่อยเลยคล้ายๆท้องกินจกนั่นนะ แล้วก็หลังมือแกก็ดําเหมือนอย่างกับไอ้อะไรคนเอามือไปแช่นน้ำทำรู้สึกว่ามันส ก, กปกมากนะครับแกร้องอย่างดีแล้วแกก็ไม่ได้ไม่พูดอะไรเลยรู้สึกว่าจะเป็นผู้ชายนะฮะมากกว่าผู้หญิงเสียงร้องนี่ร้องหหยหวนนะเวทนามากนะครับผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยถูกผีหลอกแน่นะครับผมก็เลยนึกถึงหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อที่ผมนับถือก็มีหลวงพ่อผาง หลวงพ่อโอภาสีหลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อฟันหลวงพ่อแดงโอ้พระทั้งหมดนะที่ที่ผมมีอยู่นะฮะที่ผมนับถืออยู่ผมนิ ม, มนต์ใหญ่เลยอัลลาธนาเยอะแยะหมดเลยนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีพระหลวงพ่อไหนมาสักองนั่นหมายความว่าผมถูกผีหลอกเต็มที่เลยนะครับในช่วงนี้ผมก็เรียกภรรยาผมบอกแม่พีหลอกนะครับแม่ผีหลอก แต่ปรากฏว่าแฟนผมก็นอนแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะตอนนี้ผมพูดนั้นขาต้นกายผมมันค้างแล้วก็เสียงก็ไม่ออกผมก็นึกในใจว่าในเมื่อเราถูกผีหลอกแล้วนี่นะฮะเราก็คงมีทางเดียว น, นะครับคือแม่ค้าว่านึกถึงหลวงพ่อให้มาช่วยนะครับเราก็นึกถึงคาถาของหลวงพ่ออุปศีคือหลวงคำว่าอิติสุกโตะอะรหังพุทโธนมโมพุทายะ ปาฐาวีคงคาพระภู ม, มิเทวาขมามีหังก็บอกหลวงพ่ อ, อว่าผมถูกเหีหลอกให้หลวงพ่อมาช่วยด้วยแต่หลวงพ่อก็มามาช่วยในช่วงนี้นะครับวิญญาณทางซ้ายนี่นะครับเขาเริ่มขยับเข้ามาใกล้และขณะเดียวกันเ้าก็ช้อนตัวผมขึ้นไปทีละน้อยทีละน้อยตอนนี้แหละครับผมก็กลัวตกเตียงนะฮะผมก็เลยบอกว่าผมรู้แล้วว่าท่านนเป็นวิญญาณแล้วก็จะมาขอให้ผมช่วยเอาล่ะ ผมนี่นะครับพรุ่งนี้เช้านี่ยนะครับผมจะทําบุญใส่บาทนะครับจะไปซื้อเลือดหมูต้มไอ้ตรงไอ้หน้าโอยบาขมันกุดนี่นะครับแล้วก็จะใส่บาทให้หลวงพ่อผมบอกแค่นี้นะครับเขาก็ยังร้องอยู่นะครับมินจาก็ยังร้องมันให้เรางมหมดเลยผมก็บอกเอาละ่ะผมมีเงินนะฮะซ่อนเมียไว้เนี่ยนะ่ะสามรอยบาทพรุ่งนี้ผมจะถวายสังฆทานนะ เสียงร้องเขยังมีอยู่นะฮะโดยทั่วไปเขยังร้องระงมอยู่ตอนนี้เขายกขุมขึ้นสูงผมก็กลัวตกนะฮะตักเตียงเพระาะว่าผมนอนอยู่บนเตียงคนไข้นะครับผมก็นึกถึงนึกถึงการทำบุญที่สูงขึ้นไปหน่อยเอ๊ะเราสามารถที่จะทำสังฆทานให้เขาได้แต่เขายังรับไม่ได้แสดงว่าเขานี่แสดงว่ามีเว ม, มีกรรมมากนหะลืเกินเอางี้ก็แล้วกันผมกลบอกว่าผมกลับไปเนี่ยนะครับ ผมจะเป็นหนี้แค่สามพันนะครับแล้วก็จะนิมนพร ะ, ะวัดตึกคือวัดเทพรีลานะครับมีมนพระเก้าองค์มาแล้วผมก็จะทําบุญนะะเรี้งพระเก้าองค์จะแผ่สูสรไปให้นะฮะอย่าท่ามาหลอกมาล้อกันเลยเพราะว่าผมไม่กลัวผีเขาก็ยังร้องไห้อยู่เอ๊ะยังไงกันวะในเมื่อเราก็พยายามจะทําบุญนี้เขาทต้องหลายอย่างแล้วทําไมเขายังไม่ยอมไปสักทีผมก็นึกถึงวิธีสุดท้ายนะครับว่า ผมเนี่ต้องบวชททีแล้วผมก็บอกว่าปีนี้ผมจะบวชแน่นอนแล้วผมจะบวชแล้วแผ่บุญกุศลไปให้เขานะครับเขาจะได้มาหลอกมาร้อเลยพอสิ้นคําว่าการบวดให้เขาท่านเองไงเขาก็วางล่างของบนเตียงแล้วเสียงล่องในห้องก็หายไปนะครับผมตื่นขึ้นมาผมก็มองรอบๆดูผมก็เห็นภรรยาผมนอนเหมือนเดิมนะครับ แต่ผมมองๆรอบห้องไม่เห็นมีใครเลยนะครับหายหมดเลยผมก็ดูนาฬิกาที่แขวะไว้ในห้องก็ปรากฏว่าเวลาสองยามสามสิบห้านาทีนั่นหมายความว่าที่ผมดูขนสื่อกล่าวจบสองยามสิบห้านาทีก็เป็นเวลาสองสองยามสาสิบห้าทีก็ใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีมันไม่น่าเป็นไปได้นะฮะในช่วงนี้ที่ผมถูกผีหลอกแต่ผมถูกไปแล้วเพราะนั้น ผมก็กลัวว่าเขาจะมาขอเพิ่มเติมอีกผมก็เลยหอบพ่อผมนะฮะแล้วก็หมอนเอาไปนอนตรงไอ้เก้าอี้นั่งข้างหลังนะฮะที่มีตู้เย็นแล้วก็เป็นที่ของคนที่เข้ามาเยี่ยมนะฮะที่เราคอยรับแขงเพราะว่าเรากลัวเดี๋ยวเขาจะมาขออีกใช่ไหมฮแล้วก็ไปนอนนะฮะภรยาผมตื่นขึ้นมาก็มองหาผมอย่า่าเอ้ผมมปนอนที่ไหนก็ปรากฏว่าหาไม่เจอห้องหน้าก็ไม่พบนะฮะใต้เตียงก็ไม่มี แล้วก็ถามผมว่าไปนอนที่ที่ทำไมผมบอกว่าที่นี่มันเี่นอนมันแข็งดีตอนที่เราหายป่วยแล้วนอนมันนที่นอนไม่ได้หรอกแต่ปรากฏว่าตอนเช้าผมก็โกกไม่ได้นะฮะเพราะว่าหมอได้มาหาผมก็ตรวจผมแล้วบอกว่าผมปกติทุกอย่างผมก็ผมก็บอกว่าผมจะกลับแล้วนะครับรขอบคุณหมอว่าให้การารักษาเป็นอย่างดี มาบอกอย่าเพิ่งกลับเลยเพราะว่าไอ้ไหมเนี่ยฮะที่ที่ผมเย็บเอาไว้เนี่ยแผลผ่าตัดเนี่ยที่เย็บเอาไว้เนี่ยจะต้องอามาผ่าตัดจะมาพ่ารหัสมาตัดไหมอัพรหัตเพราะฉะนั้นอยู่ที่สองวันก็ได้ไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องเทไปเทียมาผมบอกครับอันนั้นก็เป็นฝาผัสสานดีของหมอนะครับที่จะให้ผมอยู่ต่ออีกแต่ว่าผมต้องกลับเพราะว่าเมื่อผมอยู่ไม่ได้แล้วครับเมอบอกต้องอยู่ไม่ได้เหรอ ก็เมื่อคืนนี้ผมเจอเป็นฝูงเลยนะครับหมอก็าถามว่าอะไรเป็นฝูงผมบอกกับผีถูครับเมื่อคืนนี้มาเต็มห้องเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าผมอยู่คืนนี้ถ้าเกิดมาอีกผมก็แย่เลครับภรรยาผมอยู่ใกล้ใกล้แกได้ยินแกก็แก ก, แ ก, ก็บอกว่ายังไงก็ต้องกลับบ้านวันนี้แนะ่แล้วแกก็ขอรถจากที่องค์การสง่งเคราะห์ผ่านศึธนะฮะเอารถใหญ่มาเลยนะฮะเสร็จ แ, แล้วก็มาขนข้าวของที่ในห้อง ก็กลับกันเลยครับวันนั้นนะฮะสี่โมงเช้าก็กลับบ้านกันเลยแล้วก็ห้องนี้นะครับเมื่อตอนที่ผมกลับไปแล้วพยาบาลเวลามาฉีดยาผลคข้ก็มาทีละสามคนแล้วเวลาออกก็ออกทีละสามคนมเรียกว่าสามเมื่อขีทํางานนะครับมาเท่านี้ออกเท่านี้พร้อมๆกันก็โดยที่เรียกว่าเป็น น, นัดหมายกันนะเพราะว่ากลัวจะเจอคนผมนะครับที่ห้องหกหนึ่งเก้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิญญาณนะฮะที่เข้ามาติดต่อผม เดี๋ยวให้ผมเนี่ยมาช่วยเหลือเขาเรื่องนี้ก็ยังมีอีกนะครับยังมีอีกนั่นกันผมจะเล่าให้ฟังนะครับ